ยมปนัทโธบรนี้จะแสดงอัฏฐะเป็นบทวิวรณิยะจะแก้ไขในอัฏฐะแห่งพระบาลีที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าโปรดประธานพระสัท ธ, ธรรมเทศนาทุกขานิโรธสัตข์ขอซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสเป็นมคตภาษาว่าอาเสสาวิราคานิโรโธ ถ, ถ้าจะแบ่งตัดออกเป็นสามบทอเสสาบทหนึ่ง วิราคาบทหนึ่งนิโรธบทหนึ่งอเสสานั้นแปลว่าไม่เหลือวิราคานั้นแปลว่าพระอริยมรรคนิโรธนั้นแปลว่าดับเหตชนัยวิราคาศัพท์จึงแปลว่าพระอริยมรรคจะมีอัธยาธิบายเป็นประการใดข้อซึ่งว่าวิราคาศัพท์ แปลว่าพระอาริยมรรคนั้นด้วยสามารถจะให้เห็นอัฏฐานที่บายว่าเมื่อพระอาริยมรรคทั้งสี่มีพระโสดามรรคเป็นอาทิมีพระอรหัสตเป็นปริโยสารกระทานิพพานเป็นอารมณ์แล้วและบังเกิดขึ้นในสันดานนั้นพระโสดามรรคก็ลาเสียได้ซึ่งทิฏฐิสัมปยุตสี่จิตวิจิตกิจชาสัมปยุตจิตหนึ่ง เป็นห้าจิตด้วยกันพระสะกิทาคามีมากนั้นกระทำซึ่งกามราคะและพยาบาทที่หยาบหยาบนั้นให้สาบสูญเป็นอนุ ป, ปฏตินิโรธพระอนาคามีมากนั้นละเสียได้ซึ่งกามราคะและพยาบาทอันละเอียดและโทษาจิตนั้นขาดสิ้นทั้งสองจิตพระอรหัตมักนั้น มาละเสียได้ซึ่งทิฏฐิวิปยุจิตและอุทจจะสัมปยุจิตนั้นหนึ่งให้สิ้นศูญเป็นสมุเฉดจะได้มีความยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะการ ม, มคุณอันใดอันหนึ่งหามิได้ตันหาซึ่งเป็นพนักงานตกแต่งซึ่งเรือนคือกายมีปกติกระทําให้เวียนไปในภพบเบื้องหน้า ที่จำแนกแจกออกไปเป็นการมตตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานั้นก็ดับศูนย์จากสันดานสันดานนั้นมิได้ยินดีอยู่ในภพมิได้ยินดีอยู่ในการมคุณอันใดอันหนึ่งมิได้หลงอยู่ในอำนาจแห่งตันหาอาศัยเหตุที่จะให้เห็นอธิบายชนี้วิราคาสั์ที่แปลว่าปราศจากยินดีนั้น จึงแบ่งเป็นอธิบายว่าพระอริยมรรคแปลตามอัฏฐาทบายว่าพระอริยมรรคนี้สมกันกับอุทาหนว่าวิราคาวิมุจจติแปลว่าบุคคลอันว่าบุคคลวิมุจจติย่อมพ้นพิเศษจากตัณหาวิราคาเหตุได้สาเร็จซึ่งพระอริยมรรค ตกว่าวิราคาัท์แปลว่าพระอริยมรรคนี้เป็นพยานกันเป็นหลายแห่งชนี้ใช่จะมีแต่ทุกขนิโรธนี้แห่งเดียวหาไม่ได้เมื่อพระอาจารย์เจ้าแสดงอัฏฐแห่งวิราคาัท์ด้วยประการชนิดแล้วและมาพิจารณาเห็นว่ากุลบุตรภายหน้าจะมีสติปัญญาอันน้อยลงทุกชั้นทุกชั้น จะแปลนั้นต่างๆกันก็ตามอัจชาสัยแห่งตนแห่งตนจะไม่ถูกไม่ต้องจะเสียอัทธรถที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสพระสัตว ธ, ธรรมเทศนาไว้พระอัฏฐกถาจารเจ้าพิจารณาเห็นเหตุชะนี้จึงตั้งบทวิคหะไวว่าวิราเคนะนิโรโทวิวราคะ น, นิโรโทแปลว่านิโรโทอันวัดับ วิราเคนะด้วยพระอริยมรรควิราคานิโรธโอันว่ดดับด้วยพระอริยมรรควิคหะชนีแล้วจึงตั้งบทสืบต่อไปอีกเล่าอนุสยยะสมุข ค, คาโตอเสสะวิราเคนะนิโรธออเสสะนิโรธโแปลว่านิโรธโอันวดดับวิราเคนะ ด้วยพระอริยมรรคอเศโสอาเศธมิได้อนุสยยะสมุข ค, คาโตเหตุถอนขึ้นเสียได้พร้อมซึ่งการมราคาที่อนุสัยอเศษสวิราคานิโรโทอันว่าดับด้วยอริยมรรคหาเศธมิได้เหตุถอนขึ้นเสียได้พร้อมซึ่งการมราคาที่อนุสัย เมื่อตั้งบทวิคหะไว้สำหรับจะให้แปลบทให้ยั่งให้ยืนมีให้แก่งแย่งกันได้ด้วยประการชนี้แล้วพระอาจารย์เจ้าปรัธนาจะยังกุลบุตรในภายหน้าให้รู้ในอัฏฐานที่บายอัปปะยัยจึงตั้งอัฏฐาว่าสับลงไว้แสดงซึ่งอัฏฐานที่บายอัปปะัยนั้นว่าวิราโคติปหานังวุจติว่าวิราคาสั์อันนี้ ถ้าจะแปลออกว่ามละเสียก็อาจจะแปลได้เหตุใดเหตุนั้นนักปราดผู้มีปัญญาฉลาดในอัธรสพึงเห็นแจ้งว่าวิราคาสับนี้ถ้าจะแปลว่ามละเสียนั้นพึงประกอบบทวิคหะว่าอาเสโซวิราโคอเสโซนิโรโทแปลว่ามิราโคอันว่ามลเสีย อเสโสอันหาเศษไม่ได้นิโรโทอันว่าดับเสียอเสโสหาเศษไม่ได้อเสสาวิราคานิโรโทอันว่ามลเสียหาเศษไม่ได้ดับเสียหาเศษไม่ได้ถ้าจะว่าแต่โดยอัฏฐนั้นวิราคาศัพท์ก็แปลว่านิพพานนิโรศัพท์ ก็แปลว่านิพพานจารคัสสัปและปฏินิสัคคัสสัปก็แปลว่านิพพานมุตติสัพ์และอนนารยาสั์ก็แปลว่านิพพานตกว่าแปลว่านิพพานได้สิ้นทั้งหกศั์เหตุว่าศัพทั้งหกนี้เป็นเววัจนะแห่งนิพพานสัพปเป็นคำเปลี่ยนแห่งนิพพานสัพ์สิ้นทั้งนั้น ซึ่งจะแปลว่านิพพานทั้งหกสา์นั้นมิได้ผิดจึงมีคำทันหีกรณะตรานำซ้ำไว้อีกเล่าว่าปรามัตถโตหิทุกขนิโรธังอริยสัจจันตินิพพานาังวุจติจริงอยู่ถ้าจะว่าด้วยปรมัตถะอันสุคุมนั้นทุกขนิโรธสาบนี้มิใช่อื่นใช่ไกล ได้แก่พระนิพพานพระนิพพานนั่นแหละสมเด็จพระองค์เจ้าตรัสเทศนาด้วยทุกขานิโรธศัพท์นักปราชญ์พึงสันนิทานว่าข้อซึ่งว่าวิราคาศัพแปลาว่านิพพานนั้นมีอัตถาที่บายว่าตัณหาจะปราศจากสันดานพระอริยบุคคลนั้นก็อาศัยเหตุที่พระอริยมักหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ พระอาริยมรรคทั้งสมีพระโสดาปติมรรคเป็นต้นมีพระอรหัสตเป็นที่สุดนั้นก็อาศัยเหตุได้พระนิพพานเป็นอุปนิสัยได้พระนิพพานเป็นอารมณะปัจจัยแล้วพระโสดาปติมรรคและพระสกิทาคามีมรรคนั้นก็มาละเสียได้ซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวงตามพนักงานแห่งตนแห่งตนดุจพนนามาแต่หลัง ฝ่ายว่าพระอารหัตตมรคนั้นก็ขจัดตัณหาให้วิบัติปราศจากสันดานได้สิ้นเสร็จเป็นสมุดเฉททพระหรันตกว่าสันดานจะปราศจากสังกิเลสจะปราศจากตัณหาจะปราศจากความรักความใคร่จะปราศจากความกำหนัดยินดีในการมคุณ น, นั้นอาศัยเหตุที่ได้พระอรยิยมรคทั้งสี่ประการได้พระนิพพานเป็นอารามณปัจจัย เหตุชนี้วิราคาสับซึ่งแปลว่าประสจากินดีนั้นจึงแปลเป็นอธิบายว่าพระนิพพานนั้นและคอซึ่งว่านิโรสับแปลว่านิพพานนั้นเล่าก็มีอัตถาอธิบายว่าเมื่อพระอริยมรรคทั้งสี่กระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหยุดโหนงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วการใด สังกิเลตตันหาก็ระงับดับศูนอันตรทานไปจากสันดานโดยลําดับลําดับกันในการเมื่อนั้นตกว่าสังกิเลตและตันหาจดับนั้นเป็นเหตุด้วยพระอริยมรรคทั้งสี่ประการหากกระทาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้อาศัยเหตุชะ น, น, นี้นิโรธนั้นท่านจึงแปลาตามอธิบายว่าพระนิพพาน และข้อซึ่งว่าวิราคาัสสปและปฏินิสักคัสสปมุตติสปอนาลยสปแปลว่านิพานนั้นเล่าก็มีอัตตาที่บายว่าเมื่อพระอริยมรรคทั้งสี่สละเสียได้ซึ่งสังกิเลสและตัณหาผลจากอำนาจแห่งสังกิเลสและตัณหาไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรอยู่ด้วยกามาคุณนั้นจะอาศัยอารมณ์สิ่งอื่นนั้นหาไม่ได้ พระนิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์กระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานยุดโงงเอาพระนิพพานธรรมเป็นอารมณ์ได้แล้วการใดก็สละเสด็ได้ซึ่งตันหาผลจากอํานาจแห่งตันหามิได้เอื้อเฟืออาลัยอยู่ด้วยกรมมคุณในการเมื่อนั้นเหตุชนีจากคาศัพบและปฏินิสักคาสั์มุตติศัพท์อนารยาสับทั้งสี่นี้ จึงแปลเป็นอธิบายว่าพระนิพพานได้ตยิทังสันติลักขณังถ้าจะว่าโดยลักษณนะพระนิพพานนั้นมีลักษณนะอันระงับสภาวะเป็นปัจจัยให้ระงับเสียได้ซึ่งโลภะโทสะโมหะระงับเสียได้ซึ่งอวิชชาและตัณหา รำงับเสียได้ซึ่งสังกิเลสธรรมทั้งปวงอันกระทําให้เศร้าหมองให้เวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในวัฏฏะสงสารนี้เป็นลักษณะแห่งพระนิพพานอาจจติระสังถ้าจะว่าโดยกิจพระนิพพานมีกิจมิได้รู้จุติไม่เหมือนด้วยสังกตาธรรมทั้งหลาย คือ น, นามและรูปอนกุศลและอกุศลประชุมแต่งนั้นย่อมถึงซึ่งสภาวะบังเกิดและทำลายอันพระนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมอันเที่ยงมิได้รู้บังเกิดและทำลายเหตุชนี้แหละจึงว่ากิจที่มิได้รู้จุดตินี้เป็นกิจแห่งพระนิพพานอศาศัสการังวา อีกอย่างหนึ่งว่านิพพานนั้นมีกิจอันกระทาให้สันดานแห่งพระอริยบุคคลชื่นชมสมนัตอธิบายตามคําพระดีกาจารว่าพระนิพพานนั้นมีอาการดุดดังว่าจะโลมเล้าเอาใจพระอริยเจ้าซึ่งมีสันดาลเหนื่อยหน่ายจากสังสารทุกข์และประกอบอยู่ด้วยความกระสันนั้นให้ปราศจากความกระสัน ให้สว่างทุกสว่างร้อนให้มีความผาสุขเรื่นเริงบันเทิงอยู่ในจิตสันดานถ้าจะว่าด้วยผลแห่งพระนิพพานตามอธิบายแห่งจุลัดีกาจาร์นั้นว่า อ, อนิมิตตปัจจุ ป, ปัฏถานังพระนิพพานนี้มีปราศจากสังขตานิมิตเป็นผลอีกในยะหนึ่งว่า นิปปันจะปัญจุปถานังพระนิพพานนี้มีสภาวะเป็นเหตุให้ระงับดับเสียซึ่งปปันจธรรมีกามราคาเป็นต้นเป็นผลอธิบายว่าสังขตานิมิตคือกุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยประชุมแต่งนามและรูปให้เวียนอุบัติบังเกิดเอากำเนิดในภพทั้งสาม คือกามาพรูปพบอรูปพบนั้นจะได้มีในพระนิพพานธรรมนั้นหามิได้ปัปปัญจะธรรมทั้งปวงมีราค่าปัปปัญจะเป็นอาทิที่กระทําให้สัตว์ทั้งหลายเนื่องช้าอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นเล่าก็มิได้รู้มีในพระนิพพานพระนิพานพานนี้เป็นปัจจัยให้รำงับดับเสียได้ซึ่งราค่าที่ปัปปัญจะ เหตุชนีจึงว่าพระนิพพานธรรมนั้นมีสภาวะปราศจากสังคตะนิมิตเป็นผลมีสภาวะเป็นเหตุให้ริงับดับเสียซึ่งปัปปัญจะธรรมมีราคาเป็นต้นเป็นผลด้วยประการชนี